มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะพายนอกข อ, ของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้า ดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลาย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 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เทียมแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร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 หทั้งหลายเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เทียงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโนนถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เทียงมีความแปรผันเป็นธรรมดา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 เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆเวทนานนที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆดับ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 น้องหญิงทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ารากก็ดีลำต้นก็ดีกิ่งและใบก็ดีเงาก็ดีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา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 มีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอยายตนะภายนอกโขกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอยายตนะภายนอกโกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุก ข, ขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงย่างยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดา ผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึ่งกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลาย พระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญ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 พชองเจ็ดประการน้องหญิงทั้งหลายเพราะโพชองเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพ่อชองเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักะ h องย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสามย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงสี่ย่อมเจริญปิติสัมโพชงห้าย่อมเจริญปัสสิสัมโพชงหกย่อมเจริญสมาธิสัมโพชง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 ท่านพระนันตกะโอวาดพิสุนีเหล่านั้นด้วยโอวาดนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้ว ลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิทธิของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทาประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุนีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้ว ครั้งนั้นภิสุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อภิสุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิสุทั้งหลายมาตรัสว่าภิสุทั้งหลายในวันอุโบโสถสิบห้า่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเครือบแพลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอ แต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วชั้นใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของพระนันทะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีห้าร้อยรูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำที่สุดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า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 หุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กข้าพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปินิคาเศรษฐีเคครุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่า ทำเป็นเครื่องบ่มวิมุติของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนําราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาตยังกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้ว รับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอจงถือผ้านิสีธนะผ้าสำหรับปูนั่งของสมณนะเราจะเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระราหุลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ถือผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริสดาร สมัยนั้นเทวดาหลายพันองค์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงแนะนําท่านพระราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่ป่าอันทวันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งฝ่ายท่านพระราหุลถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราหุลดังนี้ว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจากขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระราหุลกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา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 เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้ากายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่า